ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่ยี่สิบบอกไว้ว่าจะพูดเรื่องสันโดษเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องตัณหาเรื่องฉันทะที่พูดไปแล้วแต่ว่าเรื่องสันโดษเคยพูดแทรกมาบ้างตอนว่าด้วยชีวิตพระเพราะว่า สันโดษนั้นเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นพิเศษสำหรับพระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีชีวิตที่เน้นในเรื่องของภาคจิตใจนามธรรมาและนอกจากนั้นชีวิตด้านวัตถุยังไปฝากไว้กับชาวบ้านอีกด้วยนี่เรามาดูเรื่องสันโดษในแง่ที่มาสัมพันกับยุคสมัยเมื่อคืนนี้ได้ปลารบเรื่องที่ว่า เมื่อเริ่มยุคพัฒนาในประเทศไทยพอศ .2500 เสร็จประมาณ2503ทางรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้มีสารไปถึงที่ประชุมคณะาธิการทั่วประเทศว่าประเทศชาติกำลังพัฒนาต้องการจะสร้างสรรค์ให้มีความเจริญ ก็ขอให้งดสอนหลักธรรมเช่นเรื่องสันโดษนี่ก็ะจะทาให้คนเนี่ยเป็นทํานองว่าก็ไม่อยากได้อยากดีอะไรทำให้อยู่กันไปตามที่เป็นอย่างเคยเป็นยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะก็จะทำให้ไม่ขยันทำการทำงานแล้วก็ไม่ช่วยกันสร้างอะไรต่ออะไรให้เพิ่มพูนประเทศชาติก็จะไม่เจริญ นี่ดูว่ามันเป็นยังไงปัญหามันที่จริงก็จะไปว่าทางบ้านเมืองอย่างเดียวก็คงไม่ถูกบ้านเมืองเขาก็ว่าไปตามความเข้าใจของคนในสังคมไทยนี่เองซึ่งจํานวนมากทีเดียวก็เห็นอย่างนั้นคือมองไปว่าเออถ้าคนสัญโดดแล้วนี่ก็ไม่อยากได้อย่างดีเลยสัญโดดนั้นความหมายก็จะเป็นว่ามียังไงก็พอใจอย่างนั้นยังไง พอใจในสิ่งที่มีอยู่นี้ถ้ามันด้วนแค่นี้มันก็อาจจะตีความผิดเข้าใจพลาดได้อันนี้ว่าสำหรับทางฝ่ายบ้านเมืองก็มองไปว่าถ้าหากว่าคนจะมีความขยันมันเพียนหาเงินหาทองให้มากแล้วประเทศชาติก็จะเจริญก็คิดว่าต้องให้คนโลภเยอะ อยากมีมีกินมีใช้เยอะๆมีของฟุ่เฟือยมากๆทีนี้ถ้าไปพอใจตามที่มีที่เป็นอยู่ก็มันก็ไม่อยากได้วัตถุเหล่านี้มันก็ไม่ทำการทำ ง, งานไม่หาเงินนัทองก็พัฒนาไม่ได้ในคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยก็มองเห็นทํามนองนี้เหมือนกันก็นึกว่าธรรมะเรื่องสัโดสนี่ก็ขัดขวางความเจริญทาให้ประเทศชาติไม่พัฒนา อันนี้พฤติกรรมของชาวพุทธและความเข้าใจเองด้วยก็อาจจะมีการพลาดไม่ใช่อาจจะมันก็ต้องพลาดด้วยคือว่าคนไทยชาวพุทธจำนวนมากก็เข้าใจว่าเออสันโดดก็อย่างนั้นพอใจตามที่มีที่เป็นก็ไม่อยากได้อะไรนะก็ยังแถมเข้าใจไปว่าโอ้คนมีความสุขถ้าคนมีสันโดดจะได้มีความสุขนะมีความสุขกับของที่มี เมื่อมีความสุขแล้วก็ไม่ได้หลวนขนขวายมีพฤติกรรมมันก็ชวนไปในทานที่ว่าโอ้มีความสะดุดมีวัตถุยังไงก็อยู่เท่านั้นก็สบายมีความสุขแล้วไม่ขนขวายหาลักษณะอย่างนี้มันก็ชวนให้คล้ายกับคนขี้เกียจเหมือนกันอันนั้นมันก็ไม่สร้างสรรค์เหมือนกันนี่คนไทยเองก็ชาวพุทธเองนี่แหละก็จะเข้าใจความหมายความสโดุดก็ไม่ถูกต้องเหมือนกัน ก็ทำให้คนภายนอกที่ไม่ค่อยใกล้ชิดหรือเพ่งมองชาวพุทธอยู่แล้วก็เลยมองเป็นว่าเนี่ยสันโดษที้ทาให้ชาวพุทธนี่เป็นคนที่ไม่ขนขวายไม่สร้างสรรไม่เพียรพยายามไปจนกระทั่งถึงเป็นคนขี้เกียจเลยก็มีแง่มุมที่ทาให้เขามองได้ยงงั้นเหมือนกันก็ต้องโทษทั้งสองฝ่าย ว่าฝ่ายบ้านเมืองนะั้นในฐานะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบกิจการถ้าว่าที่จริงก็จะต้องศึกษาเรื่องสัญโดษให้เข้าใจให้ชัดในขณะที่ประชาชนไม่เข้าใจไม่รู้แท้จริงเนี่ยก็ผู้นำก็จะต้องศึกษาให้ชัดแล้วก็เอาสัญโดษที่ถูกต้องมาสอนประชาชนด้วยเช่นเดียวกันแต่นี่กลายเป็นว่าผู้นาก็ไม่เข้าใจก็เป็นบรรชาวบ้าน ก็เข้าใจเท่ากันก็เหมือนกับทางฝ่ายวิชาการก็เช่นเดียวกันก็ต้องติเตียนทางด้านการศึกษาสังคมวิทยาด้วยสังคมวิทยาในเมืองไทยเราก็ตามแบบตะวันตกในหมู่สังคมวิทยาก็จะเข้าใจพวกคำสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยโดยแยกไม่ออกระหว่างความเข้าใจและความเชื่อ ที่ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนาตามความประพฤติปฏิบัติและความเข้าใจของชาวบ้านอย่างหนึ่งแล้วก็พุทธศาสนาที่เป็นหลักการที่แท้อย่างหนึ่งนี่โคกงนักสงงังคมวิทยาเวลาศึกษาพุทธศาสนาแกแยกไม่ออกแกไม่แยกแกก็จะเอาพุทธศาสนาตามที่ชาวบ้านเขาเชื่อและปฏิบัติ คือนึกว่าไอ้ที่ชาวบ้านเขาเชื่อปฏิบัตินั่นคือพุทธศาสนาหรือว่าสิ่งที่ชาวบ้านซึ่งชื่อว่าเป็นชาวพุทธเชื่อถือปฏิบัติยังไงนั่นคือพุทธศาสนาเมื่อแกเข้าใจอย่างนี้ก็ได้แค่นี้แกก็ช่วยสังคมไม่ค่อยได้แทนที่จะช่วยบริการสร้างปัญญาให้แก่สังคมโดยเออชาวบ้านเนี่ยนะได้เข้าใจพุทธศาสนาไม่ถูกต้องปฏิบัติไม่ถูกต้อง แล้วเราก็แยกให้เห็นว่าพุทธศาสนาที่แท้ศาหลักการที่แท้สอนอย่างไรมันก็จะมาช่วยเหลือสังคมในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นแกก็ทําไม่ได้แกก็ไปได้แค่อย่างฝรั่งฝรั่งก็มาศึกษาสังคมพุทธศ า, าสนาก็มีบางคนที่พยายามเข้าถึงตัวหลักการแต่ว่าจะโดยมากก็ได้แค่แบบเดียวกันก็คือว่าคําว่าพุทธศาสนาของเขาก็คือ พุทธศาสนาตามความเชื่อและการประพฤติปฏิบัติของชาวบ้าน <Yeah. S 1> ทีนี้พุทธศาสนานั้นเราเคยพูดไปแล้วว่ามีลักษณะที่เป็นศาสนาแห่งปัญญา <Yeah. S 1> ไม่ใช่ศาสนาแห่งศรัทธาฝรั่งเขาเคยรู้จักแต่ศาสนาแห่งศรัทธาศ <Yeah. S 1> าสนาแห่งศรัทธาคือความเชื่อก็เป็นศาสนาที่มีสิ่งที่เรียกว่าด็อกมา <Yeah. S 1> ด็อกมาก็คือข้อกําหนดความเชื่อและการประพฤติปฏิบัติที่ตายตัวนะ yeah. ตื่นมาต้องทําอย่างงั้นวันหนึ่งต้องไหวต้องกราบเท่านั้นหนุนเลยต่างๆแล้วนี่นะเชื่อต้องเชื่อพระเจ้าเชื่ออะไรต่างๆตายตัวถ้าไม่เชื่ อ, องี้ก็ผิดเลยนะนะความเชื่อตายตัวข้อปฏิบัติ ต, ตายตัวจัอย่างนี้นศาสนาประเภทนี้เราเคยพูดกันไปแล้วว่าทําให้ดํารงรักษาตัวได้มั่นคงเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าไม่ต้องถามไม่ต้องศึกษาละมาก็บอกปุ๊บเลยเชื่อไงทําไงใช่ไหมก็จบ ทีนีพุทธศาสนานี่ไม่มีด็อกมาไม่มีข้อกําหนดตายตัวเพราะให้อิสระเสรีทางปัญญาทางความคิดก็นั่นก็ต้องศึกษาก่อนศึกษาและเข้าใจรู้แล้วก็เอาสิเมื่อคุณเข้าใจแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติศาสนาแบบนี้ต้องขึ้นต่อการศึกษาถ้าไม่มีการศึกษาก็ต่อไปก็เคลื่อนคลาดหมดก็หลักธรรมในพุทธศาสนาแล้วจะเห็นได้ชัดเลย ว่าเมื่อคนขาดการศึกษาแล้วก็วาดตามๆกันไปเนี่ยพูดต่อๆกันไปมัอพูดต่อๆกันไปมันก็ชักขาดแหว่งแหว่งนิดแหว่งหน่อยไปเรื่อยๆผนที่สุดแทบจะไม่เหลือตัวบางทีตรงข้ามไปเลยเหมือนอย่างประชาธิปไตยในสังคมไทยเนี่ยประชาธิปไตยนี่จะได้ของที่เป็นประโยชน์แท้จริงก็ต้องมีการศึกษาใช่ไหมถ้าไม่มีการศึกษาก็เคลื่อนคลานหมด เหมือนอย่างสมัยก่อนเนี่ยหลายสิปีมาแล้วถามชาวบ้านประชาธิปไตยคืออะไรชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องบอกนูนะ่นที่อยู่ในพันรัฐธรรมนูญที่อนุสาวรีย์ถนนลาดดำเนิน น, นี่ประชาธิปไตยแสดงว่าแกไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหม น, นี่ประชาธิปไตยในความหมายของชาวบ้านไม่น้อยเลยก็ไม่รู้เรื่องเลยปฏิวัติทําให้เกิดประชาธิปไตยก็ได้นู่นในพันรัฐธรรมนูญที่อนุสาวรีย์ เออพราะเอาไปตั้งเชิดชูบูชาไว้นี่ใช่ไืมแ ส, สดงว่าสําคัญมากนี้ถึงเดี๋ยวนี้เองถึงเดี๋ยวนี้ก็เถอะมีชาวบ้านเท่าไหร่ที่เข้าใจประชาธิปไตยก็อาจจะมองว่าไอ้การเลือกตั้งนะั่นคือประชาธิปไตยและการเลือกตั้งอเป็นไปเพื่ออะไรมันมีส่วนสําคัญในระบบการปกครองประชาธิปไตยอย่างไรก็ไม่ชัดไม่เจนนนี้ประชาธิปไตยที่แท้ก็ต้องอาศัยคนที่มีการศึกษาในพุทธศาสนาก็ เป็นศาสนาที่ให้คนใช้ปัญญานะให้มีเสรีภาพทางความคิดในเมื่อไม่มีข้อกําหนดความเชื่อและข้อปฏิบัติแบบตาย ต, ายตัวมันศาสนาอื่นนั่นก็เลยว่าถ้าคนไม่มีการศึกษาก็เคลื่อนคลาดไปเรื่อยๆไอ้นี้ก็เลยเป็นความจาเป็นที่ว่าสาหรับศาสนาแบบนี้ผู้ศึกษาจะต้องแยกได้ระหว่างตัวหลักการที่แท้ของพุทธศาสนานะ ซึ่งเราจะอาศัยพุทธพจนะ์เท่าที่เราจะหาได้ก็มีในพระไตรปิฎกนี่แหละเป็นแหล่งใหญ่สำหรับมาวินิจฉัยเป็นมาตรฐานแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือพุทธศาสนาตามความเชื่อความเข้าใจของประชาชนชาวบ้านแล้วก็คอยปรับไอ้ความเชื่อการปฏิบัติของชาวบ้านให้มันเข้ากับตัวหลักการที่แท้ยุ่เสมอ ลักษณะของพุทธศาสนาจะต้องเป็นอย่างนี้เราจึงต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสังข ย, ยนาเป็นต้นคอยปรับความเชื่อการปฏิบัติให้เข้าหลักอยู่เรื่อยๆแล้วก็ให้การศึกษาประชาชนตลอดเวลาถ้าขาดอันนี้ปั๊บก็มีแต่ความเคลื่อนคลาดไปนี่เรื่องสัโดดก็เช่นเดียวกันมันก็เป็นเรื่องที่ว่ามีความเข้าใจเป็นพื้นพูดต่อๆกันมาก็ได้บางส่วนทีนี้ไอ้การที่ได้บางส่วนก็คือความไม่สมบูรณ์ ความไม่สมบูรณ์ก็เป็นความผิดพลาดได้ในแง่นึงนี่สันโดษนี่เป็นยังไงสันโดษนั้นเมื่อคนไทยนี่เข้าใจหรือว่าไอความอยากนี่ไม่ถูกต้องนะมื่อคืนพูดกันทีนึงแหละคนไทยมองว่าอสําหรับชาวพุทธความอยากนี่ไม่ใช้ไม่ได้ผิดเนี่ยก็เข้าใจเป็นตันหาไปหมดนพอเข้าใจความอยากเป็นตันหาไปหมดนี่ก็ทําให้เข้าใจสันโดษผิดด้วยเพราะว่าสันโดษนี้ จะไปคุมด้านตัณหาแล้วมาเสริมเรื่องฉันทะเมื่อไม่เข้าใจเรื่องฉันทะเลยก็จบนีก็นึกว่าสันโดษมาคุมมละมาลดตัณหาก็ด้วนเลยทีนี้ก็ขาดมันก็ไม่ไปต่อฉันทะแล้วเอาทีนี้เป็นยังไงละ่ะเรามาดูก่อนเริ่มตั้งแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วพระพุทธเจ้าจะตรัสเรื่องสันโดษนี้แก่พระตามปกติจะไม่มีตรัสแก่ครุขรหแก่ชาวบ้าน ตรัสแก่พระก็จะบอกว่าภิกษุสันโดษด้วยจีวรด้วยบิณฑบาตด้วยเสนาสนะตามมีตามได้คือตามที่เป็นของตอนตามที่ตนได้มาหมายความว่าภิกษุนี่ได้อาหารมายังไงกั็พอใจอย่างนั้นได้บิณฑบาตได้จีวรยังไงก็ยินดีตามนั้นอันนี้ขั้นต้นความหมายก่อนก็คือว่าจุดที่สังเกตก็คือว่าพระพุทธเจ้าให้ภิกษุนี่สันโดษกับภพปัจจัยสี่ ซึ่งเป็นวัตถุสําหรับอาศัยบริโภคเลี้ยงชีพนะนี้ด้านหนึ่งแล้วที่ต้องสังเกตถ้าพูดอย่างนี้ก็หมายความว่ า, มาไม่ได้จัดเลยเรื่องสันโดษในเรื่องทางการทํากิจหน้าทีนะ่ด้านการบำเพณกรรมฐานทําเพณสมาธิบำเพณสีสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าไม่เคยตัดให้พระสันโดษนะสันโดษแต่ปัจจัยสี่นะั่หนึ่งแล้วนะข้อสําคัญ ให้สันโดษในปัจจัยสี่ทีนี้ว่าเมื่อสันโดษในปัจจัยสี่แล้วต่อไปในธรรมะชุดเดียวกันนั้นจะตัดอะไรต่อด้วยหรือเปล่าก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะตรัดต่อไปว่าพอสันโดษแล้วให้มีธรรมะต่างๆตามมาในบรรดาสิ่งที่ตามมาจากต่อจากสันโดษคือความเพียรอ้าวสันโดษแล้วทําไมในชุดเดียวกันต่อจากสันโดษให้ จึงให้มีความเพียรเพียรในการทํากิจหน้าที่ของตัวใช่ไหมในด้านกิจหน้าที่นี้ไม่ให้สันโดษใช่ไหมนะแล้วในธรรมะที่มาจำเพาะเลยชัดๆท่านเรียกว่าอริยวงศ์สี่อริยวงศ์สี่นี่ก็หนึ่งสันโดษด้วยจิวอนสองสันโดษด้วยบิดาบัดสสันโดษ ด, ด, ด, ด, ด, ด, ด, ด้วยเสนาสนะที่อยู่อาศัยแล้วก็สี่บอกว่า ยินดีพอใจในการละอกุศลธรรมแล้วก็พอใจในการเจริญกุศลธรรมนี่คือว่าเป้าหมายเลยไอ้ที่สันโดษในสามข้อต้นก็เพื่อจะได้มาทําข้อที่สี่ได้ไงนี่เป็นความสัมพันธ์แต่เป็นจุดสังเกตที่ว่าไม่ได้จบแค่สันโดษมีเรื่องความเพียรเรื่องการทาหน้าที่ต่อมาแล้วมันสัมพันธ์กันนแง่ว่าไอ สันโดษมาเป็นตัวหนุนมาเป็นตัวช่วยเอื้อโอกาสให้มาทําไว้ตัวสุดท้ายคือความเพียรพยายามทำกิจหน้าที่เนี่ยได้ผลใช่ไหมเพราะว่าถ้าไม่สันโดษแล้วมันก็จะมาขัดขวางทาไมจึงว่าถ้าไม่สันโดษแล้วขัดขวางการทําหน้าที่ภิกษุหน้าที่สําคัญก็คือการพัฒนาชีวิตในใจศีขาสีสมาธิปัญญา อนี้ถ้าภิกษุไปไม่สันโดษในวัตถุปัจจัยสีก็มัวแต่จะหาจีรสวยๆอาหารอร่อยฉันอยากจะมีมากๆมีที่อยู่สบายที่สุดเลยต่างๆข้นขวต่เรื่องวัตถุปัจจัยเป็นไงล่ะทีนี้ใจก็ไม่อยู่กับหน้าที่กันใช่ไหมใจไม่อยู่เพราะคอยคลุ้นคิด เอทำไงจะได้จีวรสวยๆมาอย่างชนิดเนื้อดีที่สุดราคาเป็นกี่พันเลยสมมติอย่างหรือว่าอาหารฉันอะไรจะอะคิดจะเรื่องนี้หนึ่งความคุุนคิดใจไปอยู่กับเรื่องการหาวัตถุเสพก็เป็นอันว่าไม่มีกระใจจะมาคิดเรื่องการพัฒนาในใจศีขษะว่าจะเรินสีสมาธิปัญญาไงไม่เอาแหละใช่ไหม สองเมื่อแกคุนคิดอย่างนั้นแล้วก็ใช้เวลาในการหาสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ใช้แรงงานไปในการหาสิ่งเหล่านั้นเวลาก็หมดไปแรงงานก็หมดไปความคิดก็วุ่นวายคลุกคลุยอยู่กับเรื่องการหาเสพหาวัตถุหน้าที่ของตัวก็เสียหมดสิใช่ไหมนะพูดถึงศีลสมาธิปัญญาเราจะพูดในแง่ของศาสนากิจว่าเล่าเรียนปริยัต แล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนคือปริญญาที่เราเรียนนั้นแล้วก็เอาธรรมะไปเผยแผ่ศาสนาภิกิจหน้าที่ของพระสำคัญสามอย่างนี้มัวไปยุ่งกับการหาวัตถุเสพสำหรับตัวเองก็หมดงานเรานี้เสียหมดอันนั้นก็คือว่าถ้าไม่สันโดดแล้วเวลาแรงงานและความคิดก็จะหมดไปกับการหาวัตถุเสพแล้วก็เลยไม่มีเวลาแรงงานและความคิดที่จะมาใช้ในการ ทำาศาสนกิจในการที่เจริญสมรรธรรมในการบำเพ็ญใตศีกขาอย่างที่ว่าก็เสียหมดใช่ไหมฮอันนี้นอกจากนั้นแล้วชีวิตของพระนี่ก็เป็นชีวิตที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับวัตถุอยู่แล้วพยายามสละมาเราจะไปแสวงหาอยู่ในเรื่องเหล่านี้มันก็ตรงข้ามกับแนวทางของตนแล้วนอกจากนั้นก็ชีวิตของพระในด้านวัตถุก็ไปฝากไว้กับชาวบ้าน โดยวินัยให้พึ่งชาวบ้านทีนี้เมื่อพระไม่สันโดษคิดจะหาวัตถุมันก็เบียดเบียนชาวบ้านสิหาทางจะได้ดีไม่ดีก็ไปหาในทางที่ไม่สมควรไปหลอกลวงชาวบ้านหรือไปหาทางที่จะลอดชาวบ้านให้มาให้ลาบสกสาระกรตนนี่ถ้าเรียกว่าเกิดเป็นมิจฉาชีพของพระขึ้นมาหาเลี้ยงชีไม่สุจริตแล้วก็ทําให้เบียดเบียนเดือดร้อนชาวบ้าน ทำตนให้เลี้ยงยากอย่างน้อยก็ทําให้ชาวบ้านลําบากเพราะฉะ น, นั้นในเมื่อชีวิตของเราด้านวัตถุนี้ฝากไว้กับชาวบ้านก็ต้องทําตัวให้เขาเลี้ยงง่ายการสันโดษก็ช่วยให้ไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะเขาถวายมาเขาศรัทธาเราก็ได้มาฉันเพื่อให้มีชีวิตอยู่แล้วก็มาทํากิจหน้าที่ของตนเองนี่พูดในแง่ของพระก็ไปอ่านว่าสาระสําคัญก็คือว่าสันโดษเนี่ยมันเป็นตัวเอื้อ มันช่วยให้เราสามารถสงวนเวลาแรงงานและความคิดเอาไว้สงวนเวลาแรงงานและความคิดเอาไว้เพื่อจะได้เอาเวลาแรงงานและความคิดนั้นมาทุ่มเทให้แก่การทากิจนาทีของตนเองพอพระสันโดษปับเวลาแรงงานและความคิดมีเยอะแยะและคนีก็มาทำงานของตัวเองสิจะเล่าเรียนจะปฏิบัติจะเผยแผ่ทำก็ทาไปเต็มที่เลย ไม่ต้องเมื่อกังวลไม่จิตใจก็ไม่ฟุ้งซ่านด้วยนะมีสมาธิมากขึ้นใจแน่วแน่ในการทํากิจประเพ็ใจสิขาก็เต็มทีนะ่นี่ก็คือวัตถุประสงค์ของสันโดษเราจะเห็นว่าไอ้สันโดษนี้ก็จะไปคุมตัณหาตัณหาคือความอยากเสพใช่ไหมอยากเสพวัตถุหาความสะดวกสบายปลนเปรยตัวเองแล้วก็มาหนุนฉันทะมาหนุนฉะันทะยังไงไอ้ฉันทะนี่ก็คือความ อยากให้มันดีที่พูดไปแล้วอยากจะรู้อยากจะสร้างสรรนี่ก็อยากจะให้ชีวิตของตนเองเจริญงอกงามในใจศิกขะอยากจะทำอะไรแต่อะไรให้บรรลุผลที่ดีงามบรรลุแม้แต่นิพพานใช่นี่ก็คือความอยากที่ดีเรียกว่าฉันทะคืออยากจะเจริญงอกงามในธรรมอะนาเรียกว่าอยากในกุศลธรรมนั่นเองละนะอยากในกุศลธรรมอยากในกุศลธรรมมันก็เป็นฉันทะไป อยากในวัตถุเสพก็เป็นตัญหาอยากในกุศลธรรมก็เป็นชั้นทะทีนี้สันโดษก็มาคุมความอยากในวัตถุเสพลดลงไปแล้วก็ให้มาส่งเสริมเกื้อหนุนความอยากในกุศลธรรมตอนนี้ในแง่ของกุศลธรรมท่านให้เอาเต็มที่เลยก็คือว่าพระพุทธเจ้าก็จะจัดเรื่องว่าให้สันโดษในวัตถุเสพหรือปัจจัยสี่ แล้วพร้อมกันนั้นพระองค์ก็บอกว่าให้ไม่สันโดษในกุศลธรรมใช่ไหมอันนี้ก็คือหลักธรรมที่ชาวพุทธทั่วๆไปเนี่ยไม่ค่อยนึกพอสันโดษก็จบแค่สันโดษที่จริงพระพเจ้าให้ไม่สันโดษ ด, ด้วยคู่กันเพราะฉะนั้นจึงต้องมีตัวต่อว่าสันโดษในอะไรไม่สันโดษอะไรไม่ใช่ไปทิ้งไปจนด่ว น, วนสันโดษเอาเปรียสันโดษในปัจจัยสี่หรือวัตถุเศษ แล้วก็ต่อด้วยไม่สันโดษในกุศลธรรมถ้าในกุศลธรรมแล้วไม่ให้สันโดษถ้าสันโดษในกุศลธรรมพอใจในสิ่งดีงามกิจหน้าที่ที่ตัวได้ทําแล้วอ่ะเออคราวนี้พอแล้วถ้าอย่างนี้ท่านเรียกว่าประมาทเลยถ้าใครพอใจมีสันโดษในกุศลธรรมผู้นั้นท่านเรียกว่าเป็นผู้ประมาทผิดทันทีใช่ไหม ถ้าในเป็นอันว่าในเรื่องกุศลธรรมสิ่งที่ดีงามแล้วไม่ให้สนโดต้องก้าวหน้าต่อไปตลอดเลยตราบใดยังไม่ปรู้จุดหมายสูงสุดไม่ให้หยุดขณะนั้นก็จะยกพุทธพจน์ที่ตรัดไว้อีกอันมาสนับสนุนพระเจ้าตรัสบอกว่าเราไม่สลุรสรวนแม้แต่ความตั้งอยู่ได้ในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ต้องพูดถึงความเสื่อมถอยจากกุศลธรรม เราสละเสริญอย่างเดียวแต่ความก้าวหน้าต่อไปในกุศลธรรมทั้งหลายใช่ไหมและอยังในธรรมบทก็จะมีคาถาที่บอกภิกษุจะมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติเนี่ยเป็นผูสูตรคงแก่เรียนมีความรู้ธรรมวินัยเก่งเฉี่ยวชาญหรือจะเป็นผู้ที่ได้สมาธิได้ชาญหรือได้มีความสุขในทางเนคขมมะเนี่ยจากการอยู่ปลีกเล่นแล้ว อะไรต่างๆก็ตามเนี่ยตราบใดที่ยังไม่สิ้นอาสวะย่าได้ถึงความนอนใจนะวิสาสมาปาธิอ ป, ปัตโตอาสวะขยังเนี่ยคือถ้ายังไม่ถึงจุดหมายแล้วไม่ให้หยุดนะีไม่ให้นอนใจไม่ให้ไม่สัโดษในพระสูตรหนึ่งก็บอกว่าภิกษุได้บรรลุคุณวิเศษในระดับอริยบุคคลแล้วก็เกิดความพอใจสันโดษว่าโอ้เราได้บรรลุธรรมพิเศษแล้ว พอสันโดษท่านพระพุทธเจ้าตรัสว่าเถอนี้เป็นประมาทวิหารีเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทใช่แปลไปอ่านว่าถ้าสนโดษในกุศลธรรมรเมื่อไหรียกว่าประมาทผิดทันทีเนี่ยจับจุดอันนี้ให้ได้ทีนี้ความสันโดษในวัตถุเสพก็มาหนุนความไม่สันโดษในกุศลธรรมอย่างที่ว่าไปแล้วตัวเชื่อมก็คือว่ามันสงวนเวลาแรงงานและความคิดเอาไว้นั่นเองนะก็เลยกลายเป็นตัวเอื้อโอกาสแก่ ก, การทำกิจหน้าที่ของตนเอง อันนี้ได้หลักการแล้วนะทีนี้มีข้อสังเกตอีกก็คือว่าคนจำนวนมากไปเข้าใจว่าโอ้สันโดษแล้วจะได้มีความสุขอันนี้เป็นการจับที่ผิดมากนะนึกว่าโอ้สันโดษแล้วจะได้มีความสุขมันก็ถูกอยู่คือคนสันโดษนั่นก็ทำให้เป็นคนสุขง่ายสุขง่ายด้วยวัตถุน้อยเพราะว่าได้อะไรมาเป็นของตนมีแค่ไหนก็พอใจเมื่อพอใจก็มีความสุขใช่ไ แต่ความสุขมันไม่ใช่ดีได้ชั่วนี่ความสุขนี่ <months old> ไม่ใช่สิ่งดีสิ่งชั่วในตัวมันเองไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรมนีเป็นเพียงวัตถุประสงค์พลอยได้เป็นผลพลอยได้ในการปฏิบัตินั้นมันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของสันโดษจุดพลาดก็คือไปเข้าใจว่าโอ้สันโดษเพื่อความสุขก็เอาความสุขเป็นวัตถุประสงค์ของสันโดษไปเราพูดได้เลยว่าความสุขเป็นเพียงผลพลอยได้ของสันโดษ แล้วมาไปตัวหนุนทำให้เราสามารถมาระดมกำลังใช้แรงงานความคิดในการทำกิจหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเรายังไม่มีความสุขกับวัตถุเนี่ยจิตใจกระวาววุ่นใช่ไหมวาวุ่นมันก็ไม่เป็นอันมาทำกิจหน้าที่สิจะมาบาเพา็ญใจศิกขาใจก็ไปหวงวุ่นวายตัวเองไม่มีความสุขร้อนรนกระวนกระวายมันก็ปฏิบัติไม่ได้ผล ทีนี้พอมีความสุขกับวัตถุแล้วด้านนั้นมันก็สงบแล้วงบมันก็กลับมาช่วยหนุนให้ปฏิบัติกิจหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นใจก็จะมาอยู่กับการกับงานแล้วมีความสุขจากงานได้ด้วยอันนี้คนบางคนไปเข้าใจไปว่าโอ้สันโดษพระสุขแล้วมาจริงงนั้นด้วยพอสันโดษปั๊บได้วัตถุมาเท่าไหร่กับพอใจเท่านั้นก็มีความสุขแต่ว่ามันด้วนเพราะว่ามันไม่เป็น รับกันไหมไปไปส่งต่อว่ามันจะเจริญก้าวหน้าต่อไปในการปฏิบัติธรรมอย่างไรใช่ไหมพอมาด่วนอย่างนี้สันโดษก็ขาดลอยวัตถุประสงค์มาอยู่แค่สันโดษก็สันโดษแล้วสุขสุกก็นอนเลยแต่อย่างนี้ก็สันโดษก็ส่งเสริมความขี้เกียจถูกอย่างเขาว่าแล้วมันก็สันโดษนี่ก็ส่งเสริมตัณหาเพราะว่าสันโดษแล้วเป็นไงจะได้สุขพอใจในความสุขอยากได้ความสุขอย่างนั้นตัณหานะมันจะดีนะ ก็ขี้เกียจก็คือตัณหานั่นแหละคนเรานี่ตัณหามันทําให้ร้อนโลนกระวนกระวายวิ่งทยานพล่านไปอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็ทําให้ขี้เกียจคือตัณหามันทําให้มีสองแบบตัณหาแบบพล่านกับตัณหาแบบขี้เกียจมันสบายมันติดในความสุขมันไม่อยากทําอะไรมันอยากจะเสพมันก็น่ามีเสพในวมันสบายแล้วก็นอนเสพสบายขี้เกียจ อีกอย่างหนึ่งก็คือพลานมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้ก็พลาดหาเสพทีนี้มันโดยทำอะไรมันก็ทุกข์ใช่ไหมมันเป็นเงื่อนไขมันก็จิตใจไม่สบายเพราะนั้นตัณหานี่กลายเป็นว่าขี้เกียจก็ตัณหาใช่ไหมพลานไปก็ตัณหาเหมือนกันตัณหาทั้งคู่เพราะนั้นคนที่สันโดษเพื่อความสุขก็เป็นสันโดษแบบตัณหาไม่ใช่เป็นธรรมะที่แท้จริงไม่ถูกต้อง ทีนี้คนไทยเมื่อไม่เข้าใจเรื่องฉันทะก็เลยต่อไม่ได้ก็เอาสันโดษมานึดว่าคุมตัญหาไม่อยากได้วัตถุมากมายแต่กลายเป็นว่ามาสบายก็เลยสุขดีติดสุขอีกแนะ่ก็เลยลุ่มหลงในความสุขนั้นได้เพลินเพนอย่างน้อยก็เป็นโมหะไปนะอันนี้ก็ว่าสุนแรงนะก็เป็นอันว่าไม่ดีผิดนั่นแหละดังนั้นสันโดษนีดด้วนเพราะนั้นก็เลยเป็นเหตุให้เขาว่าได้ นัชาวพุทธก็จะต้องยอมรับตัวเองเหมือนกันว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องหนึ่งแล้วนะไปเข้าใจว่าสันโดษเพื่อความสุขเอาสุขเป็นวัตถุประสงค์สันโดษต้องเข้าใจสันโดษเป็นเพียงผลพ่วงมาสันโดษเมื่อสันโดษแล้วมันก็สุขมาเองไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปยายามันได้มาเองเลยพอสันโดษปั๊บสุขในตัวต่อให้ความสุขจากวัตถุมันได้ทันทีเมื่อเราสันโดษมันพอใจเท่านั้นแต่นี้ไอ้สุขตัวนี้ก็จะทําให้ตัดความกระวนกระวายได้วัตถุ แล้วมันต้องมาส่งต่อฉันทะให้ไปทํากิจหน้าที่ปรารถนาที่จะทําสิ่งที่ดีงามต่อไปใช่ไหมมันจึงจะรับกันแล้วก็เลยมาต่อได้ไม่สันโดษเพราะไม่สันโดษในกุศลธรรมก็คือฉันทะมาแล้วนั้นสันโดษในวัตถุเสพก็มารับกันกันไม่สันโดษในกุศลธรรมคุมตัญหาปั๊บฉันทะก็มาต่อสันโดษก็สําเร็จความมุ่งหมาย แล้วก็แบเป็นไปตามหลักการใหญ่ของพุทธศาสนาก็คือว่าธรรมะต่างๆในพุทธศาสนานี้อยู่ในระบบใจสิกข า, าอันนี้ไม่มีใครปฏิเสธได้เมื่ออยู่ในระบบใจสิกขาอยู่ในระบบของการฝึกฝนพัฒนามนุษย์ให้ก้าวต่อไปสู่จุดหมายสูงสุดชีวิตที่ดีงามพ้นจากความทุกข์ตราบใดที่ยังไม่ถึงจุดหมายนี้หยุดไม่ได้อย่างที่ว่าไปแล้ว อันนี้ธรรมะทุกข้อเนี่ยอยู่ในระบบใจสิกขาอยู่ในกระบวนการปฏิบัติก้าวไปในเมื่อมันอยู่ในกระบวนการที่จะก้าวไปในตรสิกขาในการฝึกผลพัฒนาตัวธรรมะข้อปฏิบัติแต่ละข้อเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์กับข้ออื่นโดยส่งผลต่อกันอย่างไรไม่ใช่ด่วนๆไม่ใช่มีความหมายเฉพาะตัวมันแล้วก็จบถ้าธรรมะมีความหมายเฉพาะตัวข้อไหนข้อนั้นก็แสดงว่า มันไม่สัมพันธ์ในระบบมันไม่อยู่ในกระบวนการเข้าใจสิกขาก็แสดงว่าไม่ถูกหรือเข้าใจไม่ครบเพราะฉะนั้นมันจะต้องต่อได้ว่าเออข้อปฏิบัติอันนี้ธรรมะข้อนี้มันส่งผลต่อไปอย่างไรให้เราคืบหน้าไปในใจสิกขาเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าสันโดษนี้มันส่งผลต่ออย่างไรถ้าอยังงี้ชัดเลยใช่ไหมพอสันโดษปั๊บอ๋อสงวนเวลาแรงงานและความคิดไว้นะ่าแล้วเอาเวลาแรงงานและความคิดนี้ไปใช้ในการประเพณกุศลธรรมทํำสิ่งที่ดีงามต่อได้แหละ อย่างนี้ต่อในใจศกขาได้เลยมันก็หนุนหนุนกันไปต่อก็ไม่สะดุดในกุศลธรรมก็ได้ใช่ไหมต่อกับความเพียรก็ได้ไปได้หมดเป็นตัวเอื้อโอกาสนั่นเองก็เป็นธรรมะเบื้องต้นในระดับการสร้างโอกาสในการที่จะเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตที่ดีหรือในการศึกษานั่นเองนี่ก็คือหลักการใจศกขาซึ่งใช้ได้ทั่วไปเ่ยเช่นเรื่องเรื่องสมาธิก็เช่นเดียวกันทําไมสมาธิที่ผิด สมาธิผิดเพราะอะไรเพราะว่าไปกล่อมไปกล่อมก็จบในตัวเองใช่ไหมได้ความสุขแล้วหยุดทีนี้สมาธิที่มันถูกต้องมันอยู่ในใจสิกขามันต้องส่งผลต่อสมาธิเป็นตัวเอือ้อให้แก่อะไระเช่นทําให้จิตเหมาะพร้อมที่จะทํางานแล้วเอาจิตนี้ไปทํางานในการใช้ปัญญาอย่างนี้เป็นต้นนะสมาธิก็ส่งผลต่อปัญญาอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติถูกเพราะว่ามันมีการส่งผลต่อกันในระบบใจสิกขาให้ก้าวหน้าไปได้ไม่ใช่ทําให้หยุด ถ้าธรรมะข้อไหนยังอยู่ในระหว่างปฏิบัติได้ทาให้หยุดด้วนเลยแสดงว่าพลาดแหละนี่ก็เป็นหลักวินิจฉัยทั่วไปที่ใช้ได้ในข้ออื่นๆด้วยไม่เฉพออาะข้อใจสิกขาเอานี้คิดว่าหลักการได้แล้วนะฮะนี่ว่าเมื่อคนมีฉันทะอยากจะทำสิ่งที่ดีงามที่เราพูดไปแล้วก็เป็นอันว่าไม่มีปัญหาการพัฒนาสร้างสารรค์ก็ต้องอาศัยแบบนี้แหละถ้าไปอาศัยตัณหาก็พลาดเลย คนเราก็อยากจะได้วัตถุเสพเห็นแั่ตัวแย่งชิงกันแล้วมาอยากทำการทำงานสังคมก็ปั่นป่วนเรรวนแล้วก็ถุโทมไปหมดมาดูในแง่ของพระสงฆ์บ้างได้ขอชจาบ้านบ้างคฤหัสถ์นะฮะคฤหัสถ์นี่เราเอาคติเรื่องสันโดษมาใช้ได้ เพราะวัตสาระสาคัญมันอยู่ทวีตหนึ่งสันโดษในวัตถุเสพใช่ไหมและไม่สันโดษในกุศลธรรม 2. สันโดษเพื่อสงวน อ, อมเวลาแรงงานและความคิดแล้วเอาเวลาแรงงานและความคิดนั้นไปทุ่มเทให้แก่การทําสิ่งที่ดีดงานแค่นี้ใช้ได้แหละอันนี้ผลพลอยได้ก็คือคนสันโดษก็มีความสุขง่ายในวัตถุน้อยใช่ไหม เมื่อสุขง่ายในวัตถุน้อยก็เป็นหนุนอีกว่าทําให้ไม่มัวมาฟุ้งซ่านจิตใจไม่มาว้าวุ่นกับเรื่องการหาความสุขทางวัตถุเพราะมันพอแล้วมันก็ไปตั้งใจแล้วมันก็มีความสุขในการทํางานนี้เรามาดูคนที่ไม่สันโดษจะเกิดผลอะไรบ้างคนไม่สันโดษนะสันโดษและคนไม่สันโดษก็คือคนที่ไม่พอใจได้ว่าสิ่งที่ตนมีอยู่แล้ว ความสุขไปอยู่กับสิ่งที่ยังไม่มีไม่ได้เมื่อความสุขไปอยู่กับสิ่งที่ยังไม่มีไม่ได้แกพลานแกจะหาวัตถุที่ยังไม่มีไอ้สิ่งที่มีแล้วเนี่ยแกไม่มีความสุขเมื่อแกไม่สามารถมีความสุขกับสิ่งที่มีแกไปความสุขแกไปฝากกับสิ่งที่ยังไม่ได้แกก็ไม่ถึงความสุขนั่นสักทีคนไม่สะดดนึ่งความสุขจากวัตถุก็ยังไม่ได้เพราะว่ามันไปอยู่กับสิ่งที่ยังไม่มียังไม่ได้ ความสุขจากวัตถุยังไม่ได้หนึ่งแล้วนะแกก็ต้องเอาเวลาแรงงานและความคิดไปทุ่มเทให้แกการหาสิ่งเสพนะเมื่ออย่างนี้แกก็อาจจะเบียดบังเวลาสมมติว่าแกมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอะไรเนี่ยแกก็ไม่เป็นอันทำแล้วนะใจแกก็ไม่อยู่กับงานการหน้าที่แลแกก็ไปอยู่กับว่าจะหาสิ่งเสพอย่างไรนะ อันนี้แกก็อาจจะเบียดบังเวลาแรงงานเอาไปใช่ไหมทุจริตทีนี้บางทีก็ไม่ใช่เบียดบังเฉพาะเวลาและแรงงานด้วยบางทีว่าสิ่งเสพน่าต้องซื้อมาหามาด้วยเงินเงินไม่พออีกก็เบียดบังอาจจะทุจริตเรื่องเงินเรื่องทองอีกทุจริตเพื่อเอาทรัพย์ไปซื้อหาสิ่งเสพเนี่ยเกิดการทุจริตหนุนโลภเข้าไปนี้สก็คือว่าเพราะความสุขแกอยู่กับวัตถุ ที่ยังไม่ได้ไอ้ที่การงานนี่มันทำให้แกต้องขาดความสุขที่แกต้องการเพราะฉะนั้นการทำงานคือความเดือดร้อนเป็นทุกข์ใช่เพราะฉะนั้นคนไม่สันโดษนี่จะทำงานใ้ความทุกข์เป็นอย่างยิ่งทรมานใจเวลาทำงานนี่ไม่ตั้งใจทำงานงานก็เสียอีกใช่มก็เสียไปหมดเลยชีวิตตัวเองก็ไม่มีความสุขยังมีผลเสียต่อสังคมงานการเสียหมดไม่ตั้งใจทาการทางาน ทีนี้เราไปดูคนที่สันโดษ่วนสันโดษก็ตรงข้ามหนึ่งความสุขจะวัตถุ ก, ก็ได้แล้วใช่ั้ม <c oughs> เพราะว่าได้ทลายก็ยินดีพอใจเท่านั้นสุขจะวัตถุได้แล้วสองแกก็มีความสุจริตได้ง่ายรักษาความสุจริตได้ง่ายเพราะว่าแกไม่ต้องเบียดบังเวลาแรงงานและความคิดแล้วก็เงินทองที่จะเอาไปหาสิ่งเสพ ทีนี้สามก็ตั้งใจทํางานมีความรักงานใจมันอยากจะให้งานมันสําเร็จตอนนี้ไม่มีด้านความห่วงและวัตถุเสพเข้ามากีดขวางแหละแกก็อยากจะทํางานให้ได้ผลใจอยู่กับงานรักงานใช่ไหมพอรักงานก็คือรักในกุศลธรรมรักในความดีงามมีฉันทะแกก็ทํางานได้ความสุข ก, ก็ได้ความสุขจากการทํางานอีกน แล้วผลที่เกิดแก่สังคมก็4 ส, สังคมก็ได้ผลประโยชน์ไปด้วยนะได้ทั้งในแง่การเบียดเบียนก็น้อยลงทั้งในแง่งานที่สร้างสรรค์สังคมนั้นตามกิจนาทีก็ได้ด้วยตกลงได้ประโยชน์4ี่อย่างเลยนะสุขของตัวเองก็ได้ทั้งสุขจากวัตถุ ก, ก็ได้แล้วสุขจากการงานก็ได้อีกได้ซ้ำสองไอ้เจ้าคนไม่สันโดษนสุขจากวัตถุกไ็ได้ยังทุกจากการทํางานอีกนะเสียทั้งคู่ ถ้าต้องลงว่าสันโดษ้าใช้ถูกต้องแล้วเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเป็นฐานสำคัญของการพัฒนานก็เห็นจะพอสมควรนะฮะก็แปลนว่านี่แหละต้องเข้าใจธรรมะให้มัน ม, มีความสัมพันธ์ในระบบการบาเพ็ญใจศีกขาอย่างถูกต้องท่านนั้นก็จึงได้พูดบอกว่าเนี่ยมันก็เป็นความผิดพลาดทั้งสองฝ่าย ทางผู้บริหารประเทศก็ไม่เข้าใจว่าไปตามชาวบ้านถือืบ ก, กันมาชาวพุทธเองก็ไม่เข้าใจเองด้วยทำให้คนอื่นเขามองผิดพลาดดะะนั้นก็ต้องปฏิบัติทำให้มันครบแง่มุมของมันด้วยต่อให้ได้ว่าธรรมะแต่ละข้อนี่เชื่อมโยงไปอื่นอย่างไร จุดนี้สําคัญนะฮะจะไปเข้าใจความหมายของธรรมะข้อนั้นอย่างเดียวความหมายนี่จะชัดต่อเมื่อประโยงกับระบบว่าธรรมะข้อนี้อยู่ตําแหน่งไหนในระบบไสรสิกขาใช่ไหมแล้วมันมีความสัมพันธ์ส่งผลต่ออันอื่นอย่างไรถ้าจับอันนี้ไม่ได้เลยก็ยังไม่ชื่อว่าเข้าใจธรรมะถ้าอยู่ในสังคมอยู่ในระบบประชาธิปไตยหรือว่าระบบอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้อง เข้าใจความสัมพันธ์ของเรื่องนั้นๆในระบบเขามันด้วยใช่ไหมจึงจะมีความชัดเจนความต้องการเนี่ยคิดถึงสิ่งที่ยังไม่ได้ไม่มีแล้วเป็นความต้องการแล้วถูกเสกมาตนองความต้องการของคนเนี่ยขึ้นอยู่กับการที่ได้รับการอบรมสอนมาหรือว่าเกิดจากสาเหตุใดมีทางแก้ที่จะลดละก็ก็ก็ค่อยๆฝึกไปถ้าเราไป สร้างในหมวดชันทะมากขึ้นใช่ไหมไอ้ด้านนี้มันก็จะเบาลงเองเราไปสร้างความใฝ่รู้อยากทำโน่นทนํานี่เราเกิดมีงานความสิทธิ์ที่ดีงามเห็นได้ปัญญาว่าดีใช่ไหมเราก็จะอยากทํามันเพราะอยากทํามันจะมีความสุขจากการทํานี้แล้วมันเพลินไปเองมันจะสุขแล้วเลยลืมเสพมันเบาลงไปในการศึกษาอบรมแน่นอนเลยเริ่มตั้งแต่อิทธิพลทางวัฒนธรรมอิทธิพลวิถีชีวิตในสังคมอย่างสังคมปัจจุบันเนี่ย อยู่ใต้ครอบงามของค้านิยมบริโภคแน่นอนว่าคนที่เกิดในสังคมอย่างนี้จะต้องมีนิสัยอยากเสพคิดแต่ทําไงจะหาได้หามาเสพใช่ไหมเหมือนอย่างนักเรียนนักศึกษาเข้าหมาหาวิทยาลัยก็ไปพูดกันคุยกันว่าเออเมื่อเราเรียนจบแล้วเนี่ยเราจะเอาอย่างงั้นก่อนนะผมจะต้องเอารถเว้นก่อนคนนั้นบอกว่าจะต้องเอายี่ห้อ น, นั้นก่อนใช่ไหมจะต้องสร้างบ้านสวยๆอย่างดีมีอย่างงั้นนี่มันก็เรื่องเสพเท่านั้นใช่ไหมมันคิดถึงแต่ตัวและจะเอาท่าเดียวแหละ มันใช่สิเราจะเพิ่งเร่มเรียนเท่านั้นแหละครับคิดแหละมาพูดกันแต่เรื่องเหล่านี้แทนที่จะคิดว่าเออเราจะตั้งใจเรียนยังไงให้มันได้ผลดีใช่ไหมแล้วก็จะไปสร้างสารรค์ยังไงไปช่วยแก้ปัญหาสังคมยังไงไม่พูดอเป็นจริงไหมเนี่ยเป็นอย่างนี้มากนะเดี๋ยวเนี้ยเพราะฉะนั้นการเรียนการทํางานเดี๋ยวเนี้ยมันเป้าหมายมันไปอยู่ที่ผลประโยชน์หมดเลยสมัยก่อนก็ไปอยู่ที่อํานาจความเป็นใหญ่เป็นโต แต่ตอนนี้อาจจะเอาทั้งคู่ก็ได้นะเอาทั้งทรัพย์ทั้งอำนาจเลยไหนทางร่ารวยและยิ่งใหญ่เลยนี่ก็วิถีของสังคมสภาพสังคมก็ครอบงำเราหล่อห ล, อ, ลอมจิตใจเราทีนี้ถ้าในบ้านในครอบครัวไม่รู้ทันก็หนุน้อีกก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนี่ถ้าในบ้านในครอบครัวนี้รู้ทันใช่ไหมก็จะพัฒนาในด้านฉันทะ ความฝ่ายรู้ฝ่ายสร้างสรรค์ไปก็จะมาสร้างดุลขึ้นมาได้ทีนี้ถ้าหากว่าในบ้านในครอบครัวก็ยังไม่ได้ก็ต้องมาฝึกตัวเองแหละม่้ายว่าเกิดความเข้าใจเรื่องอย่างนี้เมื่อไหร่ก็มาแก้ไขพยายามพัฒนาไปทั้งในผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งในบ้านเมืองแล้วก็ทั้ครอบครัวก็หลงทางให้ศีลให้พรก็ขอให้ร่ำรวยมีเงินมีทองไม่ได้ใหคนดีมีศีลธรรมดั่งนั้นก็อย่างนี้แหละก็คือถูกสภาพสังคมปัจจุบันหล่อหลอมเอา มันเป็นกระแสสังคมทั้งหมดแล้วนะฮะเวลากระช่แน่นอนแล้วองค์กรก็ไปอย่างนี้แน่ฮะเท่าแต่ละคนก็มุ่งหาอย่างที่ว่าเช่นแมแต่ครูอาจารย์ซึ่งนี่คือฐานของสังคมเลยใช่ไหมผู้ให้การศึกษาครูอาจารย์ยังมุ่งแต่เรื่องผลประโยชน์แล้วใช่ไหมมันก็หมดแล้วมันระบบมันการที่จะไปคิดว่าทําไงจะให้ลูกศิษย์เป็นคนดี ทำไงจะให้การศึกษาเขามีปัญญาไอ้ใจมันไม่ไปอยู่ที่จะทําให้ลูกศิษย์ ด, ดีใช่ไหมมันไปอยู่ที่ตัวเองจะได้ผลประโยชน์ยังไงครับมาเคหัวเป็ น, นอายุขึ้ก็นั่นแหละมันก็ไปหนุนอีกใช่ไหมเปนหนุนจะให้ยิ่งใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนใหมายเคขัวบอกว่าคุณอย่าไปคิดใหญ่โตเลยคิดว่าทําไงคุณจะสร้างสารรค์ทําความดีงามเขียนทุกขุนอาจารย์ ไม่กระทั่งพระที่เข้าสู่อริยะเข้ า, าไม่ทราบข้อได้อริยบุคคลยังนะครับที่ว่าเนนาขาเกิดยากขัดไปเลยนะที่ว่าเขาอ่ อ, อนเป็นอริยสิอ่เป็นอริยอริยบุคคลขนาดโสดาบันแล้วผมแม้กระทั่งเข้าสู่กระแสแล้วก็ยัใช่ตอนนี้ท่านท่านสันโดษในกุศลธรรมนะฮะไม่ใช่ไม่สันโดษในวัตถุพระอย่างนี้ก็สูงแล้วนะไม่คือคือท่านสันโดษในวัตถุเสพไม่มีปัญหาเรื่องนั้นท่านมาปฏิบัติ จกนกระทั่งบรรลุคุณวิเศษได้โสดาบาันสกทาคามีแต่ท่านเกิดความพอใจในคุณวิเศษที่บรรลุแล้วท่านเรียกว่าสันโดษสับในตรงเลยบอกสันโดษในธรรมที่บรรลุแล้วพอสันโดษพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรียกว่าเธอนี่เป็นประมาทวิหารีผู้อยู่ด้วยความประมาทในทางหลักธรรมบอกเลยว่ามีบุคคลระดับเดียวที่จะไม่ที่จะไม่ประมาทแน่นอนคือพระอรหรันต ตราบใดที่ยังไม่บรรลุอรรถผลแล้วอยู่ใต้อํานาจความประมาทอาจจะถูกครอมงําด้วยความประมาทได้เสมอวงั้นนะเพราะฉะนั้นความประมาทเนี่ยมันเป็นในตัวกับดักสําหรับคนที่ดีคนที่สุขคนที่สําเร็จไงใช่ไหมพ้นมาจากทุกข์ได้หมายถึงพ้นในระดับสัมผัสในระดับทั่ ว, วไปเนี่ยได้ประสบความกาวหน้ามีความสุขสําเร็จอะไรเนี่ยพวกเนี้ย จะมาตกหลุมความประมาทดังนะนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องเตือนนักเรื่องความไม่ประมาทนี่บอกว่าตาบดยังไม่ถึงอาสวะไขคือความสิ้นอาสวะยาได้ถึงความนอนใจแล้วก็บอกไว้เลยว่ามีบุคคลเดียวที่จะไม่ประมาทแท้คือพระอรหรันต์เพราะว่ามันไม่อยู่ใต้อำนาจความติดอะไรทั้งนั้นเลยอย่างพระเลี้ยบบุคคลขนาดโสดาท่านยังติดในสุขได้ ติดในสุขออที่ประณีตไงใช่ไหม น, นั้นก็ท่านก็ประมาทได้อีกนะมีอะไรสงสัยไหมครับอะไรเห็นด้วยไหมถ้าหากว่าเราสร้างสันโดษอย่างถูกต้องประเทศชาติจะพัฒนาได้เห็นด้วยนะฮะทนี้ขอแถมส น, นิดหนึ่งนะนี้ถ้าเราเข้าใจสันโดษผิดเป็นว่าสันโดษก็คือว่า พอใจตามมีตามได้ที่เป็นของตนแล้วก็หยุดเท่านั้นนะสบายสุขทันี้มันจะกลายเป็นหลุมดักคนได้ส่วนใหญ่เพราะว่าไอ้ตัวสุขอันเนี้ยมันเป็นเหยื่อของตัณหาเหมือนกันใช่ดนั้นกระแสตัณหามันก็เข้ากันได้เพราะว่าไม่ทยานหาอ่ามันก็มาสุขจากการที่พ อ, อแต่แท่นนี้ถ้าเราเอา ไอตัวสันโดดที่คุมตันหาแล้วเป็นหนุนชั้นทะเนี่ยนะมันจะมีทางที่ว่ามันไม่มามีตัวขั้นสันโดดแบบหยุดนี้มาไม่มีตัวนี้ม่อไม่มีตัวสันโดษแบบหยุดมันก็มีสันโดษแบบตัวส่งให้เดินใช่ไหะคือให้พ้นจากไอตัวร้ายตันหาเนี่ยไปเดินในทางชั้นทะชูไหมอันนี้เราก็จะเห็นว่าคนนี่ถ้าไปยังไม่ถึงชั้นทะมันก็ยังอยู่กับตันหา มันก็อยู่สองพวกเนี่ยมันก็จะมีพวกดิ้นรนทยานหาเศษพวกหนึ่งแล้วก็พวกที่มีความเพียรในการทำสิ่งที่ดีงามพวกหนึ่งไอ้ตัวกลางนี่จะน้อยนะเพราะนั้นมันก็เราก็เห็นได้ชัดว่าไอ้คนที่มันจะไปได้หมดไไมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไ้มไอ้ที่จะไปในชันทะไม่สะโดดในกุศลธรรมเป็นไปทั้งหมดสังคมเป็นไปไม่ได้แต่นี้ว่า ไอ้คนที่ยังไปไม่ได้มันก็อยู่กับเรื่องของไม่สันโดดในวัตถุมันก็จะมีสองพวกนี้เป็นใหญ่ทีนี้เราก็จะหนุนให้มันมาทางฉันทะซึ่งมันจะเป็นเรื่องของการขนขวายเหมือนกันการไม่อยู่นิ่งการเดินแต่ว่าเดินคนละสายแต่ถ้ามาสันโดดแบบที่ว่าไม่ต่อด้วยฉันทะใช่ไหมหยุดเลยนอนนิ่งขี้เกียจ ไอ้นี่มันจะดึงคนส่วนใหญ่มาได้นะดึงมาได้เยอะเลยสามารถสร้างเป็นค่านิยมอันนั้นมันอยู่ในกระบวนการพัฒนาใช่ไหมอาที่ว่าจากเรื่องของการหาเสบมาสู่การสร้างสรรค์อันนั้นเป็นเรื่องของการพัฒนาคนเดินหน้ากันต่อไปอันนั้นเราจะเห็นสภาพสังคมของการเคลื่อนไหวไม่ใช่สังคมที่หยุดนิง่ง